เป็นต้นเนี่ยถ้าเราจะมาถามเอาถ้าเราไม่เห็นแบบนี้ก็แสดงว่าความเข้าใจเราไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างมาดูข้อแรกก็บอกว่าศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลที่เป็นองค์เป็นประธานแห่งความบริสุทธิ <c> ์ <oughs> การเดินทางเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะนี่เป็นมรรคไหมเป็นนั่นแหละคือศีลอิสุทธิ นะเราเห็นว่าสิ่งที่คําที่พูดทุกคําเนี่ยคือการเดินทางไหมให้ความคิดว่าคําพูดทุกคําเนี่ยคือการเดินทางของเราไหมทุกๆสิ่งที่เราขยับตัวเลยนะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมคือการเดินทางอ่ะ allem, เพราะเป็นมัจถ้าพูดผิดทําผิดไม่ฉามัจถ้าพูดถูกคําถูกเป็นสัมมามัจทางผิดกับทางถูกอยู่ที่คําพูดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราไม่พูดได้ไหมบอกพูดเป็นกลางๆไม่ผิดไม่ถูก มีไหมไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหรอกไอที่ว่าไม่ผิดไม่ถูกทุกอย่างไม่ผิดก็ถูกคําพูดที่หลุดออกมาหนึ่งคำเนี่ยจะเออจะอาจะอะไรก็ช่างตลอดจนถึงพูดเยาะเย้าเนี่ยนะไม่ผิดก็ถูกมันก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละเราขยับตัวจะยกมือยกแขนขยับตัวหันซ้ายหันขวาจะเดินหรือจะนั่งจะนอนจะเหยียดจะคู่จะอะไรก็ช่างเถอะนั่นนอะไม่ผิดมันก็ถูกเพราะเป็นกรรมปัญญาเป็นกายก็ออกมาเป็นกายกรรมกับวิีกรรมเนี่ยนะ กายกรรมกับวิจีกรรมนั่นแหละถ้าถูกต้องนั่นเป็นศีลถ้าผิดถ้าผิดก็ไม่ใช่ศีลถ้าผิดก็ทุศีลถ้าทําดีทําถูกความสุขถ้าทําผิดทุกข์เนีนะเขาเรียกว่าวัดตาเนี่ยนะเขาไม่ได้วัดกันที่แบบแก้แหวนเงินทองแต่เขาวัดที่สุขทุกข์ที่จะจะต้องรับผลในอนาคตานะท่านพระพุทธเจ้ า, าตรัสอย่างนี้ ท่านจะรับสุขรับทุกตามสมควรแก่สิ่งที่ท่านทําตามสิ่งที่ท่านพูดตามสิ่งที่ท่านนําแต่ถ้ามาให้ผลแน่นอนต้องอริยมรรคอันนั้นท่าให้แน่นอนแต่ว่าชีวิตจะสุขจะทุกข์ข้างหน้านี่ตามสมควรแก่เหตุที่เราทําตามสมควรแก่กรรมที่ที่เราทำเพราะเหตุตอนนี้เป็นอย่างไรนั่นคืออนาคตต่อไปเพราะสิ่งที่เราทำํำนี่กําหนดได้เลยว่ากําลังสร้างเหตุแห่งสุขหรือทุกข์เพราะคําที่พูดทุกคํา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 สองคำพูดแล้วไม่สร้างความแตกแยกให้แก่ผู้ใดสามถ้อยคํานั้นหมายถึงว่าตัวเองก็อยากฟังคําแบบนี้นะอยากไม่อยากเขาบอกว่าคนคนพูดเองอยากฟังไหมล่ะคํานั้นอะ่ะเขาวัดกันตรงนั้นว่าอยาบหรือไม่อยากเขบอกว่าอาจจะน้ําเสียงอาจจะอะไรก็ช่างเถอะคํานี้ถ้าคนอื่นพูดกับตัวเนี่ยชอบไหม อันนี้ก่อนอันคำพูดนั้นว่าอยากหรือไม่อยากมาดูว่าถ้าคําเหล่าเนี้คนอื่นพูดแล้วเราเป็นคนฟังอ่ะจะเป็นยังไงเขาบอกเออก็ไม่เห็นมีอะไรอถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนพูดก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยาบคํานั้นก็ไม่เชื่อว่าคําหยากอย่างนี้ต่อไปข้อสี่มีประโยชน์ไหมรู้ไหมว่าคํานั้นเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทําลายประโยชน์หรือเพิ่มพูนประโยชน์คําพูดที่ประกอบไปด้วยองคศีนี่แหละเรียกว่าสัมมาวาจาเป็นคําพูดที่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 องค์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรองค์อันเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธ์ก็คือความบริสุทธิ์ใจจิตตาวิสุทธทิเนี่ยนะบริสุทธิ์ใจใจที่บริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไรความบริสุทธิ์ใจ น, นี้คืออานาพิชชาอัปพยาบาทและตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคืออานาพิชชากับอัปพยาบาท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 เห็นเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัตว์อ่าเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นน่ยแต่ที่แน่ๆตรงนี้เน้นพิเศษคือเห็นโดยความเป็นขันอายตนะธาตุขันอายตนะธาตุเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติโวหารภาษาทั้งหลายแต่พื้นเพความเป็นจริงคือขันอายตนะและธาตุความเข้าใจว่าเบื้องลึกที่สุดของสิ่งเหล่านี้จริงๆก็คือขันอายตนะธาตุทุกทวารคือขันอายตนะธาตุ อนะแยกแยกเข้าใจเสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วเข้าใจด้วยว่าเสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารเป็นที่ตั้งแห่งคําพูดเป็นที่ตั้งแห่งการสื่อสารแต่ข่าที่เป็นจริงความเป็นจริงคือขันอายตนะธาตุที่จริงมันมันคล้ายๆกับไอวิชาพวกวิชาพวกเกษตรนะนะสายกเกษตรเนี่ยเขามองเห็นดินเนี่ยเขาบอกว่าดินเนี่ยประกอบด้วยอะไรแล้วปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้มันมีอะไรต้นไม้เนี่ยมันมีอย่าง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 งานวิจัยรอบรู้ในอดีตก็คือขันอายตนาธาตุอนาคตก็คือขันอายตนาธาตุโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่สับสนปนเปเลยว่าพื้นความความจริงมันคืออย่างนั้นจริงๆเนะอันนี้เป็นความเป็นความเห็นที่บริสุทธ์นะเป็นความเห็นที่ตรงเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าความเป็นจริงอ่ะมันคืออะไรอย่างนาฬิกาที่มันเดินได้เราเห็นว่าใครอยู่ในนั้นไหม แต่ก็เข้าใจว่าระบบของมันนะ่นคืออะไรระบบของชีวิตที่อย่างเช่นระบบของชีวิตเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยมันมีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นขันอะไรเป็นอายตนะอะไรเป็นาธาตุอะไรไม่สับสนซับซ้อนเนี่ยอันนั้นแหละเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างงี้แหละเสร็จ แ, แล้วก็มาสาวต่อไปว่าข้ามพ้นความสงสัยเรว่ากังขาวิวตารณวิสุทธิวันนี้เป็นปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทางเดินของสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็นสั ม, มาธิฏฐิที่ถูกที่ตรงะที่ดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่ก็จะเห็นว่าข้ามความสงสัยกังขาวิตรณะเนี่ยนะข้ามกังขาแปลว่าสงสยัยวิตรณะแปลว่าข้ามความบริสุทธิ์ด้วยการข้ามความสงสยัยถ้าเราจะสงสัยก็สงสัยอะไรสงสัยขันธ์อายตนะที่เป็นอดีตสงสัยขันธ์อายตนะที่เป็นอนาคตสงสัยในขันธ์อายตนะท่าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคต แล้วก็สงสัยเอกและสงสัยในกรรมและผลของกรรมเรียกว่าสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในเหตุสงสัยในผลสงสัยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผู้เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนสงสัยว่าคําสอนเหล่านี้นําออกจากทุก์ได้จริงหรือสงสัยว่าพระสงค์นี่เขารู้จริงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ก็จะเต็มไปด้วยความสงสัยทีนี้คิดวิจารณะไขควรอย่างไรจึงจะข้ามความสงสัยอันนั้นออกไปได้ ก็พื้นฐานก็มาจากว่าเมื่อกําหนดว่าอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือขันอายตนาธาขันอายตนาธา ต, ธาธาตเหล่านี้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็เชื่อมโยงกันโดยความเป็นเหตุและเป็นผลอดีตแต่เหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันในเหตุก็อนาคตผลตามแนวโลกะนิโรทสูตรตามปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นอย่างเข้าใจเป็นอย่างดี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 อย่างที่เขาบอกว่าคนมีคนที่รู้จักกันมาดีเนี่ยมองพอมองเห็นหน้าเนี่ยเราสงสัยไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่สงสัยอ้าวทาไมล่ะฉันใดก็ดีชีวิตที่เป็นจริงถ้าเกิดการไขครัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างละเอียดเต็มที่แล้วเนี่ยนะข้ามความสงสัยไม่รู้จะสงสัยไปทําไมไม่มีอะไรเป็นที่น่าสงสัยว่าอาดีตสงสัยในเกี่ยวกับอดีตไม่สงสัยเพราะอะไรอดีตก็คือขันอาญตนะาธาตุที่ไล่สืบเรื่องกันไปตามเหตุแล้ว ผลอนาคตก็คือถ้ามันจะเป็นไปก็เป็นลำดับแห่งขันอายตนะธาตุที่ไหลีไปสืบเนื่องการตายไปตามเหตุและผลปัจจุบันนี้ก็คือลำดับแห่งขันอายตนะธาตุที่ไหลสืบเนื่องกันตายแห่ง น, นะพระพุทธเจ้าตรัสในลักษณะนี้ว่าสงสัยไหมว่าอดีตเนี่ยนะชารามรณะก็มีชาติเป็นตัดใ จ, จสงสัยไหมสงสัยไหมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันก็คือ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 บริสุทธิ์อะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดมัคคะบวกอะมัคคะบวกญาณะบวกทัศนะบวกวิสุทธิเนี่นะมัคคะบวกอะกมัคคะมัคคะแปลว่าทางถูกอะมัคคะแปลว่าทางผิดญานทะัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแยกออกเลยว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทาง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 ชัมระความเห็นจนบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นญาณทัศนวิสุทธิ์ที่อันนี้เป็นอริยมรรคยานเนี่ยนะทัศยานทัศนวิสุทธิ์ที่เป็นชื่อของโสดาปฏิมาถึงอรหัตตมัตตแล้วก็ต่อไปปัญญาวิสุท ธ, ธิที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่ไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเลยเนี่ยนะเข้าใจที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็วิมุตติวิสุท ธ, ธิ์ที่ก็ความบริสุทธิ์แห่งความหลุดพ้นะนะความบริสุทธิ์แห่งความหลุดพ้นก็คือสามมัญญผลทั้งหลายเป็นความหลุดพ้นที่ ถูกกล้องนี่มาขยายตามลําดับเนี่ยนะว่า อ, อความนวปาริสุทธิประธานนิยังคะกับมรแปดเนี่ยนะมรแปดนี่ยมันจะอยู่ข้อเดียวคือในวิสุทธิเก้าอ่ะนะข้อไหนญาณทัศนะวิสุทธิอันเดียวถ้าถ้าเอาแบบสมบูรณ์นะสมบูรณ์เนี่ยอริยมรอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นญาณทัศนะวิสุทธิอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็มาดูว่าเส้นทางของอารยมรอันประกอบไปด้วยองค์แปดมายัางไง ก็มาตามลำดับหกขั้นตอนก่อนหน้านี้หกขั้นตอนก่อนหน้านี้อริยมรรคจึงได้เกิดขึ้น